ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอริยมรรคในส่วนที่เป็นศีลสิกขาเมื่อก่อนได้พูดถึงสมาวาจาคือการเจรจาชอบแต่แก่เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นจากการพูดเพ้อเจ้อหรือไหลเดอะเว้นแก่การพูดาก่คำหยาบคือถ้าหากเราพูดออกไปก็เป็นวิจิตรุจริตเการงดเบนก็ถือว่าเป็นสุจริตเบื้องต้นเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริ ง, มรงมเมื่อเรางดเบนเราก็ต้องพูดคำสัตย์คำจริงตามที่เราได้สัมผัสมา คือด้วยในการได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่มีการเสริมความคือทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือไม่มีการอําความคือทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูถึงสาระถ้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพูดไม่ใช่ว่าเราตัดสินด้วยการเสริมความหรืออาความเพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นหลักของภาษาที่สื่อสารออกไปเนี่ยนันจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แล้วผู้ฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่ใ น, นขณะเดียวกันเจตนาของเรานั้นเป็นเจตนาที่กรอบด้วยเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแต่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยนินไม่ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไป หมายความเมื่อพูดตามที่เราสัมผัสมาโดยมองที่สารประโยชน์จากการพูดเป็นประการสำคัญการสอดเสียดอาจจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบแต่แสดงว่ามุ่งความพิบัติเดือดร้อนความแตกแยกความรุนแรงตลอดทึงความระสัาระสายต่างๆให้เกิดขึ้นแก่บุคลคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่าย เพือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการยืมดาบค่าคนแต่ทั้งสองฝ่ายก็แสดงว่ามุ่งความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพูดในลักษณะส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีคำหยาบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แล้วก็ถูกกาละ ผู้ฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็พูดคำที่ฟังแล้วสบายหูสบายใจแต่คำหยาบยังไม่แน่หรอกบางครั้งบางคราวอาจจะดุดา่าตำหนิตีเตียนก็ได้เพราะฉนั้นท่านจะเน้นไปที่เจตนาหยาบมากกว่าตัวภาษาที่เปล่งออกมาคำพูดเจื่อ เ, อเหลวไหล เมื่อเรางดเว้นก็ต้องไปพูดคาที่เป็นคำศัพ์คำจริงตรงนี้เราจะเจอบ่อยนะเพราะว่าคือเรื่องเราใช้กายวาจาใจเราทุกวันนะตลอดเวลาโดยเฉพาะใจนี่คืเรียกก็ใช้ตลอดเวลาประการต่อไปเป็นสมากรรมันตรการงานชอบคือถ้าพูดจริงๆมันน่าจะเป็นการประพฤติชอบมากกว่า แต่เราพูดการงานชอบมาจนชินคือครูบาอาจารย์ท่านแปลกันมาอย่างนั้นถ้าเราจะไปแปลใหม่มันก็น่าเกลียดแล้วก็จะทำให้เกิดความสับสนในการสื่อสารเช่นว่าบางครั้งเราไปพูดว่าการกระทำที่ถูกต้องมันก็มีปัญหาอีกคือชอบเนี่ยยุติด้วยเหตุผลและความดีเป็นมาตรวัดถึงการประพฤติของบุคคลล่านั้น ในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตกับทรัพย์สินกับคู่ครองของบุคคลอื่นก็สอนระดับศีลสิกขาก็คือการงดเว้นแต่ข้อที่ควรตระหนักนี่ว่าอุตส่ า, าเน้นไปที่ปานะคือลมหายใจเข้าออกท่านบอกว่าการยังสัตว์ ที่มีชีวิตได้ตกล่วงไปที่จริงฟังก็ค่อนข้างยากนะฮะคือทําสิ่งมีชีวิตให้ตายจะงง่ายกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือการทําลายสัตว์ที่มีชีวิตคำว่าปานะก็ได้แก่สัตว์แต่ว่าโดยสาระถะคือโดยปรมาติตหมายถึงชีวิตติงสีองค์ประกอบที่ทําให้ชีวิตดํารงอยู่ เจตนาในการฆ่าสัตว์นั้นโดยเห็นว่าการฆ่าสัตว์ทำเองก็ผิดนะใช่คนอื่นทำก็ผิดแล้วจะแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาอาจจะเป็นสัญญาณอะไรต่างๆก็เยอะนะมีโคตรปีเคลื่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มุ่งความพินาศมุ่งความแตกทําลายชีวิตในเกิดขึ้นแก่บุคคลตนนั้นเพราะถ้าถามว่ามีคุณ ม, มาก โทษมากโทษน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบหลักเหมือนเดิมหมายความว่าบุคคลผู้นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยอาจจะทั้งคนทั้งสัตว์แต่ว่าถี่ข้าทนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตคือเน้นเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตถ้าแนนในสิ่งมีชีวิตบางสถานะอาจจะเป็นทรัพย์บางสถานะอาจจะเป็นคู่ครองก็ได้ก็แล้วแต่ แต่สรุปว่าเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลสถานภาพของบุคคลก็มีการงดเว้นแต่ทีนี้ถ้าไปล่วงละเมิดเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคนหรือสัตว์มีคุณมากไปเจตนาแรงความพยายามมากเนี่ยบาปก็จะมาก เรือ่องที่บอกเนะี่ยว่ามันมันทำทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ก็เรียกว่าทําเองก็ก็ผิดแต่ใช่บุคคลอื่นทําก็ผิดการปฏิบตัตจะมีโทษน้อยหรือมีโทษมากมันก็เทียบเคียงกันตรงเนี้ยสามข้อเนี่ยถ้ามากหมดหมายความมีคุณมากเกียตินาแรงความพยายามมากบาปก็มากมีคุณน้อยเกีตนามันน้อยตามนะ แต่ความพยายามมันก็จะไม่มากตามไปเพราะตัวสัตว์ตัวคนตัวสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดที่มีความสําคัญมันแค่แค่กระตบยุงตายกันเชื้อไข้ตัวอะนรเนี่ยมันจะ ต, นต่างกันเยอะคุณก็ต่างกันเยอะความพยายามก็ต่างกันเยอะแตที่จริงก็ดูง่ายนะครแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ คือสังคมเราเป็นสังคมที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเราเป็น ส, สังคมพุทธนะฮะคือการไม่เบียดเบียนกันคือการสารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นอุดมมคติถึงศาสนาพุทธศ า, าสนาลามศาสนาเชนเนี่ยมันมีอุดมการเหมือนกันก็คือไม่เบียดเบียนเน้นไปที่หลักของไอหิงสาธรรมคือการไม่เบียดเบียน แต่ก็จริงเราก็มีวิหังษาคือการเบียดเบียนกันเยอะบางครั้งบางคราวเราเราขาดการวิเคราะห์ขาดการตรวจสอบจนมันก็ปล่อยให้มันกลืนไปตามกระแสที่มีอยู่ภายในสังคมใน ต, ตอนนี้ก็บรรยายอบรมนักศึกษาปัญญาโทกับปัญญาเอาาากเอ ก, ก็พูดสบายหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นฐานนศึกษาเขาเขาสูง เราก็ให้นัยยะกว้างๆให้เขาพยายามสื่อแม้เขาคิดแล้วก็มีการคุยกันมีการอภิปรายกันในชั้นก็คือเรื่องบเรื่องเนี่ยพอพอพอเราจุดประกายความคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเข้าใจเมื่อก่อนยกตัวอย่างว่าเอาเรารายตัวอย่างวัดก็ได้แล้วก็เราจะเห็นว่าวัดเนี่ย คือบางทีในเรานึกว่าท่านผู้นี้เมตตาเช่นสมมุติว่ า, าวัดกอเนี่ยมีสมภารมาจากเอาจังหวัดนครก็ได้บ้านอาตามาเองแล้วก็ขนเอาลูกวัดมาจากนาครทางนั้นมาอยู่ด้วยกันหรือว่าภาักได้ทางนั้น คถ้าเรามองผ่านานมองโดยไม่คิดพินิจพิเคราะห์ให้ดีเนี่ยคล้ายๆกับท่านเมตตาสงเคราะหญ์ญาติพี่นออ้องนำเด็กมาส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาเรียนแต่เราลืมไปว่าไอ้วัดเนี่ยไม่ใช่ของท่านท่านจะเอาเป็นสถานที่สงเคราะห์คนเฉพาะบ้านท่านเนี่ยไม่ได้ วัดมันเป็นสถานศาสนาสถานเป็นสมบัติของพระศาสนาที่ผู้สร้างเนี่ยก็สร้างอุทิศสงฆ์ซึ่งมาจากจารุรชิตโดยเฉพระบารามหลวงทั้งหลายเนี่ยมันมากันเป็นร้อยรอยปีเท่านั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นร้อยปีบ่อ น, นสมพานก็จะตายไปเยอะแล้วคนยุคแรกๆก็ตายไปหมดแล้ว แต่พอเรามาเป็นสัมพันธ์เราก็ไปคิดว่าเป็นส ม, สมบัติส่วนตัวแล้วก็อยู่กันในพวกพ้องตัวเองคือถ้าเรามองเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแค่คเมตตาแต่ถ้าเรามองให้ลึกแล้วจะเห็นเลยว่าพระมาจากจังหวัดอื่นขออยู่เนี่ยจะไม่ให้อยู่ก็แสดงว่ายินได้พอพูกตัวเองมาอยู่ก็ยอมไม่อยู่ก็แสดงว่ายินดีบ้นจิตมันก็ขึ้นลง ด้วยความยินดีนรา้าแลว้วพาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะทำใจให้อยู่ที่อุเบกขาไม่ได้เพราะใจท่านจะอยู่ที่ฉันทากติหรือว่าพยาคตินะบางครั้งบางคราวเช่นสมมติว่าคนญาติพี่น้องต่างจังหวัดจะมาขออยู่ด้วยก็ไปเสดไปเอากลวัว่ากลับไปญาติพี่น้องก็จะาำนิติเตียนเอาแล้วก็อยู่ในเวทเวทบงาคากติ แล้วก็เห็นว่าธรรมะนี่มันจะละเม็ดละใหมามากคือปดีญญาศึกษาระดับปัญญาโทปัญญาเอกเนี่ยคือส่วนใหญ่เขามีพื้นฐานทางาศาสนาพอเรายกประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครก็ออกความเห็นเขาทําความเข้าใจเนี่ยเขาจะทําได้สบายสบายแต่ก็จริงแล้วสังคมไม่เคยวิเคราะห์ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสอบผ่านระดับของ สินธรรมจัร ญ, ญานี่เยอะมากที่เราสอบไม่ผ่านและโดยเฉพาะอาคตินี่มันเกลื่อนบ้านเกลือ่อนเมืองไปหมดความลำเอียงที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆนี่จะบีมากเป็นพิเศษพราโเราเจ็นว่าปานหน้าเนี่ยมันจะมองสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือสิ่งมีชีวิต ท, ทั้งหลายอ่ะมีลมหายใจเข้าออกทั้งหลาย ใจคัณต้องไปเครารพสิทธิในชีวิตของคนของสัตว์เหล่านั้นโือเอาเฉพาะที่เราสัมผัสได้ด้วยตานัาเราเห็นได้ด้วยตานอกตาเห็นมันก็เกินไปเหมือนกันเพราะว่าในเงี้ยจริงๆเวลาหายใจบางคงจะมีเชื้ออะไรต่าหนต่างๆสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยอาจจะเข้าไปเราเดินไปก็อาจจะเหยียบอะไรต่ะหนเนี่ยแต่ว่าเขาเอาเฉพาะชื้อที่เราสัมผัสได้ด้วยตาอย่างน้ําที่เราดื่มเนี่ก็ไม่แน่นะ จ, จะมีตัวสัตว์อยู่แต่เราก็ไม่เห็นก็ดื่มเข้าไปด้วยการที่เรากินยาระบายก็อาจจะถูกพยาธิตตายหรือว่าถูกกลับถ่ายออกมาอะไรเนี่ยเขาก็ตายในที่สุดเนี่ยคือไม่เอากันกันกันขนาดนี้เอาให้มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเป็่งทีว่าสําคัญท่านบอกว่าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต สามเราต้องตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่ต้องใช้ความพยายามที่จะฆ่าแล้วก็ห้าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเกณฑ์ตรงนี้ถ้าเราจำได้เนี่ยมันจะแก้ความตะกิตตะกวงใจเยอะเป็นอั่งมากทีนี้บางทีเราก็จำจายึดติดในรูปแบบเม ว, วันก่อนเนี่ยมีคนเขาถามว่า ผู้หญิงแก่นะฮะแก่ก็อายุเจ็ดิบกว่าแล้วก็ป่วยแล้วก็พระที่บ้านไกลวัดอะ่ะต้ก็ไปจับมือเพื่อให้ระลึกถึงทำใจสงบเขาก็ตั้งคำถามว่าจับได้ไหมคือในแง่นนจริงๆจับได้นะฮะเพราะว่าวินัยเขากำหนดเอาไว้เลยว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิงต้องอาบัตสังฆาติเศษคือจะบอกไว้เลย มันเกิดความต้องการทางเพศคือจับด้วยความต้องการในทางเพศแต่นี้จับด้วยความเมตตาเนืเคราะห์แล้วก็อธิบายไปว่าสังคมเรานั้นรับรู้เรื่องเหล่านี้เปนลักษณะเป็นอุปาทานไม่ทําความเข้าใจไม่เรียนรู้ถึงเจตนาลมไม่เรียนรู้ถึงภาคปฏิบัติสนามหลวงภาคภาคปฏิบัติจริงๆไงมันคืออะไรนะเช่นสมมุติว่าพระนั่งไปในเรือแล้วก็เกิด ผู้หญิงตกน้ําลงไปเนี่ยแล้วก็ตนอยู่ในวิสัยที่จะจับไปได้แล้ว่าเคร่งวินัยไม่ยอมจับแต่ที่จริงจับก็ไม่ผิดวินัยอะไรนะเพาจับด้วยการลูกนาไม่ได้มีจิตกำนัดแต่ข้อสาคัญเราไม่ใช่จับแ ล, แล้วเกิดยิตยินดีในการต้องจับเนื้อตัอต ว, ตวนี้ไม่ได้แอนนี้ผิ ด, ผ, ดผิดวินยัย เพนบางครับ้บางคราวเราก็พบอย่างพระตถาจารย์ท่านอธิบายในสมัตรตปาษสาธิการเนี่ยเราก็ขำท่านอธิบายถึงเรื่องนี้ปฏิบัติต่อผู้หญิงว่าแม้ <c oughs> แต่มารดาของเราตกลงไปในบ่อลึกก็อยา ก, กระโดดลงไปช่วยอย่าลงไปช่วยแต่ว่าค่อยๆหาเชือกแล้วเขก็ยหย่อนลงไปแล้วอย่าบอกแม่ว่าให้แม่จับเชือก ถ้าแม่จับแล้วค่อยๆดึงมาโดยตั้งใจว่าเราดึงบอริขาเนะี่ยพูดเกินไปนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นน่กะก็แม่ก็ตายนานแล้วแล้วใครจะเชือกมาวางไว้ใท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านพูดเกงเรืองท่านอวดเคร่งของท่านโดยไม่เน้นเจตนาลมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เจตนาลมอย่างนั้นเราจะลืมว่ามันมีวิธยอีกข้อหนึ่งแต่ก็มีธรรมะอีกข้อหนึ่งด้วย คือถ้าหากว่าเราไปไปยึดถือในตัววินัยจนทิ้งธรรมเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนในเชิงวินัยเนี่ยพวกอาบัติใหญ่เนี่ยมันจะมีเจตนาคือความจงใจในการที่เราสัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าเห็นไหมต้องตั้งจิตคิดจะฆ่านะะเช่นสมมติว่าเราพยาบาลคนป่วยแล้วก็ คนป่วยกำลังชักตาตั้งหลดตกใจตื่นกระหนกก็รีบหยิบยาแล้วก็หยิบผิดแล้วเคยตายพระวินัยไม่ปรับเป็นประราชิตนะปรับเป็นอาบัติบุภพภิโยกก็แล้วแต่เป็นรายละเอียดแต่สรุปก็จะเป็นทุนใจัยหรือทุกข์ก็ด้านเองแล้วสารเนิมก็ไม่ตัดสินว่าทำคนตายให้คนตายโดยเจตนา แต่ทีนี้ในกรณีของการฆ่าสัตว์เนี่ยมันมันก็มีประโยค ก, การกระทาเราทาได้เยอะเช่นว่าฆ่าด้วยการด้วยมือของตนเองหรือใช้คนอื่นฆ่าหรือว่าฆ่าด้วยสัตว์ราวุธที่พุ่งหรือปล่อยออกไปหรือว่า แล้วฆ่าด้วยด้วยเครื่องมือที่ดักอยู่ก็ที่เช่นมีกับดักมีแล้วมีอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยดักไว้แล้วก็ฆ่าด้วยเวทมนต์คาถาต่างๆแล้วฆ่าด้วยอิทธิฤ ท, ท, ท, ท, ทะนะธิ์ทั้งหมดในฆ่าไม่ได้เท่านั้นการทำเป็นคนตายมันทำได้เยอะนะะหลายวิธีท่านก็บัรญัติไว้ทั้งหมดเพราะเรื่องชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ แล้วองค์ธรรมเราจะเจอเรื่อยนะฮะเจอเเรื่อยในศีลข้อที่หนึ่งจะเจอในฐานะต่างๆอยู่เรืยแล้วข้อต่อไปเนี่ยก็คืออธินาทานให้เราสังเกตว่าสีนเนี่ยมันจะเน้นที่โลภะนี่เป็นหลักเราเป็นการเรียนสมเรียนกิเลสในโลภะโทสะโมหะเรียนเป็นลาลาขาโทสะโมหะก็สีจนนะหนักไปในทางโลภะ ข้าสัตรใหญ่จะข้างด้วยข้าด้วยความโลภทีนี้บรักษ์ทรัพย์เนี่ ย, ก, ยก็ใช้คำว่าอาธินาทานแปลว่าของเจ้าของเขาไม่ได้ให้ทีนี้ไอ้คำว่าให้เนี่ยความหมายก็เยอะเหมือนกันเอ่อบอกให้วางให้สั่งให้ให้สั่งให้ไปเอาสั่งให้ไปหยิบเอาอะไรอะไรก็ได้อะให้เนี่ยมันมันบาเยอะเว่าต้องการอะไรก็ไปเอา ต้องการสตางก็ไปหยิบเอาหรือว่าต้องการผลไม้ที่สวนก็ไปเก็บเอาอะไรแต่ไรเนี่ยอันนี้ก็ถือให้<อ>คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้กันตรงๆอบอกอให้สั่ง<อ>ให้โยนให้วาง<อ>าให้หรือบอกให้ไปซื้อเอาหี่จะจ่ายสตางให้อะไรแต่ไรปากมันก็เอาได้นะปเป็เบิกเอาอะไรเนี่ยหรือสรุปว่าให้ก็ให้ก็แล้วกันแต่ทีนี้ตรงตรงตรงเนี้ย คือบางทีเนี่ยเราก็ถือแครงนะอย่างยกตัวอย่างกรณนนีของประเคนอันนี้คล้ายๆกับครืวเดียวกับเรื่องประเคนคือหมายความว่าประเคนเนี่ยก็ทรงใช้คำว่าอดาีตดังโยปนาปิครัวเดนัดนงมุขัดวารั ง, ง, งห้ารังหะอะยะปะจิตยังนะเขาภิกษุอื่นกินนะฮะเคี้ยวกินอาหารซึ่งเขาไม่ได้ให้ ก็ปราบปรบปราจิตตีทีนี้ก็พูดไปพูดมาเลยเว้ยนี่ยกลายเป็นประเคนต้องมีองค์ประเคนต้องวิธีการประเคนต้องเข้ามาอยู่ระดับใกล้ขนาดไหนแต่แต่โกเลยเล ย, เล ย, เล ย, เลยก็ยุ่มหมดเลยเออที่จริงเนี่ยคำว่าให้ก็คือให้อ่ะก็าวางให้เขาบอกให้แต่ว่าที่หลังเนี่ยมันคิดว่าบูเอคคล้ายๆจะทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมัน มันไม่เสร็จสักทีหนึ่งอ่ะนเค่นีเช่นเช่นชาวบ้านเขาจัดอาหารใส่โต๊ะไว้แล้วหนึ่งบนปราไปไปนั่งบนโต๊ะเนี่ยก็ก็จัด ก, กันสองคราวนะฮะตอนเสร็จแล้วก็ต้องไปไปเคนอีกรอบหนึ่งคือนถือสมาจะเป็นจารีตแล้วก็มีการอธิบายก็เนื่องจากสังคมไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษาพระไตรปิฎก แต่เราไปศึกษาระดับอัตถกาถาระดับเกจิอาจารย์หนังสือรุ่นหลังแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยมัวก็ตีความตามตามเรื่องที่ท่านว่าไว้แล้วคนอื่นถึงรู้เรื่องเนี่ยก็ไม่กล้าทำอัตมาเองเป็นอาจารย์บรรยายพระบินายบิดดกสอนบินายมาเยอะเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงจริงมันเป็นอะไรแต่เราก็ต้องรักษาจาริย์ก็ไม่กล้าไปทำอย่างนั้นหรอก เพราะว่าพระเราเนี่ยบางทีมันก็มีพระธรรมวินัยมีการอ่านมีกฎหมายมีอะไรตะแรต่างเยอะมีความเหมาะความควรการละเทศะกลุ่มคนบุคคลอะไร ต, รต่างๆมันเยอะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับวินัยอ่ะแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ให้กลุ่มคนมันไม่ให้สถานที่มันไม่ให้ก็เรื่อรู้กาลเทศะ ก, ก็บางเรื่องก็เลยทําให้ใรุนงรั ง, รงบุ่วาย อย่างสมมติเรานั่งเคร่งบินเนี่ยคือบางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็น L แอลเต็ดนะฮะแต่เราก็ต้องต้องให้เขาประเขตให้ต้องมีผ้ามาวางอะไรต่อะไรก็ต่างๆเขาบางบางคนเข้าใจก็ดีไปบางคนไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าพระเนี่ยบุญว่าจริงอะไรเนี่ยพวกนี้ก็อยู่เครือเดียวกันนะะ แต่ว่าอันั่นเป็นสิกขาบทละเอียดเป็นสิกขาบทสมัรพระในกรณีนี้เราจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้แนววิสาสะได้วิสาสะนี่คือการคุ้นเคยกันเคยเห็นกันมาเคยพบกันมาได้พูดกันบ่อยเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาบอกกล่าวเอาไว้นะะบอกกล่าวเอาไว้อย่างที่ว่าเนี่ยฮคือบางทีก็าอาจจะไปะนาการข้องเงินทองก็ไปเอาได้นะ ทำไม่อยู่ก็บอกพี่บ้านให้เอาให้ก็ที่จริงทําไดนะ้แล้วก็ไปเอาได้แต่ว่ามันต้องรู้ความเหมาะความควรคือการปรนนในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องไม่มากไม่มากเกินไปเยวก็ต้องรู้ก็ะสวดมากแล้วเนี่ยแนวปรนนเนี่ยที่จริงก็ปรานนาเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ไปรบกวนเลขเขา ก็เป็นเจตนาของเขาแต่ว่าเราเองพระเองต้องสํารวมระวังพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าในการที่จะให้าทานทนุบง mes, ังลุงอะไรต่างๆเนี่เป็นเรื่องของโยมแต่การสําร ว, วมระวังเนี่ยเป็นเรื่องของพระก็พระเองก็ต้องสํารวจระวังในสิ่งค้าบนนี้จึงจึ ง, จ, งจึงทั่วไปสิ่งว่า เพียงแต่ว่าพระนี่เขาละเมียดละไมมากนะสิข่าวบทนี่โอ้ละเมียดละไมเหลือเกินก็เรียกว่ากันทียึบอ่ะคือท่าไม่เห็นว่าเรื่องเปน็นอันมากนะนมเนกนะี่ยคือไม่น่าทำเช่นมมติว่าพระนำเชี่ยวอย่างเงี้ยในที่ต่างๆเนี่ยมาไม่เห็นด้วยเลยไม่เคยแม้แต่ความคิดจะเดีวมาชวนหมอกเมียว่ะ คือมันมันนำทั่วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับธุรกิจมันมีรายได้รายจ่ายนะมีรายรับรายจ่ายแล้วมันอยู่ในเงื่อนไขว่าต้องเสียภาษีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะงั้นไม่กล้าไปยุ่งเรื่องอย่างนั้นคือถ้ามีเมย์ต่อพระวินายเนี่ยยิงพระเราไม่ควรไปเสี่ยง ควมไปเสี่ยงตัวเองเราไม่รู้อาบัตมันไม่ได้วิ่งชนชนนังโครมโครมเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกแล้วก็ให้ตีความค่อนไปทางเคร่งเชื่อจะดีกว่าอธินาทานนั้นท่านเอาตรงๆนะตรงๆคือการลักการลักการกบฏแบบตรงๆแต่ทีนี้พวกเรานี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกโมหาน เอาอาหารแห่งอธินาทานจะเยอะมากๆจะให้รายละเอียดไวมากเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปซื้อของที่จะต้องเสียภาษีเข้ามาแล้วเราไม่ได้เสียอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้ถ้งงั้นไงถ้างั้นเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็ถืออย่างเนี่ยคือคือเราจะไม่เอาอะไรมาเลย มีญาติโยมถวายของเล็กๆน้อยเรา ก, ก็แสดงให้เขาตรวจ ด, ดูว่าผ่านได้ไหมะอะไรต่ออะไรนี่แต่ถ้าจะให้ไปซื้อของโยมปรานาห้ซื้อของเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยเอาเลยแต่บางทีเขาถวายมาเนี่ยไม้กาปากกาอะไรของใช้เล็กๆน้อยก็ไม่รับก็เกรงใจเขาเดี๋ยวถ้ารับมาแล้วเราก็ต้องสแสดงที่ที่ดานสามารถผ่านได้ไหม ก็นะจะเก็บผอสมภาษีอะไ ร, รก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าคือให้สบายใจอ่ะคื อ, อยังนึกว่าพวกสิกขาบทนี้นะฮะตาว่า ญ, ญาติโยมปฏิบัติจริงเอาระดับศีลห้านี่แหละไม่ต้องเอามากหรอกมันจะไปช่วยในเรื่องภาษีช่วยในเรื่องภาษีที่จะต้องเสียให้แก่รัฐเนี่ย ในขาะเดียวกันเราก็เป็นปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดีปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมะในคำว่าสัมมาชีพก็มันก็ซ้อนๆกันอยู่เยอะท่านบอกว่าเป็นเป็นเป็นเถืยะคือเป็นกริยาแบบโจรอธินาทานได้แก่ของที่ผู้อื่นเขาหวงแหนซึ่ง เมื่อใช้เอ่อซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาต้องต้องต้องการจะใช้ตามต้องการแต่ว่าถ้าของนั้นเขาเกิดทิ้งแล้วอะไรแต่ไร ก, ก็ไม่ได้ว่ากันคือสรุปว่าถ้าเจ้าของลวงแหนแล้วก็ไปไปยุ่งไม่ได้แต่บางกณีชั้นพระไปชักพระบางสกุลเนี่ยบางกณีก็มีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของก็ไปอยู่ตรงนั้น แล้วก็ตะโกนถามแล้วก็ไม่มีใครบอกเราก็นึกว่าเป็นภาพบางส ก, กุลอันนี้ไปหยิบได้แต่เมื่อเจ้าของก็ขอถูถงัวเนี้ยก็คืนให้ก็ไปแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติแต่ทีนี้สมมติวาเราไปแปลสภาพไปยเป็นจีวรสบองสมมตินะนะฮะเมื่อเจ้าของก็ต้องการคืนเราก็ต้องหาพระอื่นมาคืนให้เรื่องเงินทองจำนวนเท่าสิ่งนั้นมาคืนให้เขาคือเจตนาไม่ได้เจตนาหลัก สิขาบทใหญ่ๆเนี่ยต้องเจตนาทั้งนั้นไม่เจตนาไม่ได้หรอกเพราะอะเพราะว่ายังยกตัวอย่างมาพระอยู่วัดด้วยกันเนี่ยก็ตากจีวรนมราวาสสายแลดเลียงยาเบ็ ม, มือวัลยจากตาเกิดบางทีลมมันพัดอ่ะเกลืาา่าหมายตาเอาไว้แล้วว่าเราจะตากตัวเนี้ยเดี๋ยวบริงลมพัดผ้ามันเลื่อนแล้วก็บางทีอาจคนอื่นมาเลื่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยถึ่งอาจจะไปหยิบตอนกลางคืนนะจะหยิบผิดมานะ ก็มีผิดมาแต่พอรู้เราก็เอาไปต้องสืบหาเจ้าของเอาไปคืนเขาก็เป็นการปฏิบัติที่มันในด้านของพระแล้วเกือบเกือบเข้าไปในกลุ่มของสมาชิพคือเกือบเป็นธรรมะแต่ว่าตรงนี้จะพูดในดับศีลนะท่านบอกว่าส่วนเจตนาที่จะรักของผู้มีความสำคัญในของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นว่า เป็นของที่กขาอวนแขนมือเป็นส ม, มุดฐานแห่งความพยายามที่จะถือเอาซึ่งสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นโดยจัดว่าอธินาทานแต่ก็ยให้ก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะมันก็มีอยู่หลายวิธีแต่นี้ถามว่าไอ้ผู้นี้จะมีโทษมากและมีโทษน้อยอธินาทานนั้นมีโทษน้อยในเพราะสิ่งของของผู้อื่นที่เลว ทีนี้ถ้าของปัจนนี้ของราคาแพงๆนี่โทษมันจะมากอันนี้ไม่ใช่คุณนะคือเอาของเอาราคาเอาราคาของสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการกําหนดอย่างว่าอย่างพระเนี่ยท่านกําหนดที่ที่ห้ามาสกมาสุกหนึ่งก็หนักเท่ากับทองคําหนักสี่เมล็ดข้าวเปลือกห้ามาสกก็ยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือก หลักการก็คือว่าเราก็ดูเอาเอ า, เอาเข้าเปลือกเนี่ยจํานวนยี่สบเล้ก็เปลือกไปช่างดูน้ำหนักเท่าไหร่แล้วทองคําจํานวนเท่า น, นั้นไปช่างดูชั่งให้เท่ากันแล้วทองคำเนี้ยไปขายดูแล้วก็ดีราคาดูราคาเท่าไหร่คิดเป็นเงินบาทราคาเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นห้ามาสุกมันก็มีรายละเอียดรายละเอียดอยู่เยอะทีนี้บางทีเป็นของปรนีของหยาบ มีค่ามากมีค่าน้อยก็คือกันนั่นแหละทีนี้เมื่อมีความเสมอกันของวัตถุชื่วมีโทษมากในเพราะสิ่งของที่มีอยู่ของผู้ที่มีคุณนะไปรักไปขโมยของแผ่นดินของราชทยต่างๆงนะก็อย่างพระธัญญะท่านไปเอาไม้ในครังหลวงมาในเรือนหลวงมาไม้ที่ทางราชการก็เสียมใบจะบุณะสมแซมราชวัง พระทานก็ลักไก่ไปเอามาโดยอ้างว่าไปเจ้าพิมพิสานพระจชทานอนุญาตนี่ก็ยุ่งนิดหน่อยเหมือนกันทีนี้อธินาทานเนี่ยมันมีองค์อยู่ห้าข้อทานองเดียวกับปานาติบาตองค์นี้ถือว่าสำคัญนะฮะเป็นบทพิสูจน์ทดสอบเทียบเคียงว่าถือว่าเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิด สารนี่เขาพิจารณาอย่างไงก็ไม่เคยได้ยินที่จริงก็เคยขอ ห, หนังสือไคไพิพากษาของศาลฎีกานะมาก็จะอ่านแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อ่านแต่บอกว่าหนึ่งคือของที่คนอื่นก็หวงแหนสองเรารู้ว่าของนั้น่ะ เจ้าของก็หวงแหนสามคือจิตคิดจะรักแล้วก็ใช้ความพยายามที่จะรักรักของนั่นมาโดยความพยายามนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ได้คิดนะว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมจารีตหรือประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยคือพระเนี่ยสมมติว่าเ้านิมนต์ไปที่บ้านเนี่ยไปจับนั่นจับนี้จับน้นไม่ได้ เส้นมัน ญ, ญาติคนไทยเราก็ถือเงินไปจับนั้นจับนี้จับโน้นไปดูนั้นดูนี้ดูโน้นนี่ไม่ได้แต่ถ้าเขามีนาาในทักษะในดูวงก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเป็นพระเนี่ยสมมุติว่าของราคาห้ามาศกไปจับต้องรูปครรมเนี่ยนะจับต้องรูปครรมท่านปฏิบัติแล้วแล้วก็ทําให้ไหวทําให้ื่นเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นนลยนะอยู่อยู่ที่เดิม น, นั่นแะ ก็ปรับประบาดอีกชั้นหนึ่งถ้าบางของมันทะเยอืดออกมาจากที่วางเดิมปรับขาดจากพระแล้วไม่ต้องเอามาเดี๋ยวเราถือว่าขาดจากพระแล้วตรงนี้มันมันมีปัญหาที่สืบเนื่องกันมาเรื่องเจ้าพระฟังเนี่ยนะคก่อนก่อนก็มีคนคนตั้งประเด็นนี้อสอบถามว่าการแก้ปัญหาสมัยพระเจ้าตักสินสมัยพระพุทธยอดฟ้าที่จับพระศึกไปเยอะเนี่ย มันก็ได้ออนยังไงว่าสังคมบุญ น, นบริสุทธ์บอกว่ามันไปคิดขนาดนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านก็ทําดีที่สุดแล้วแหละแต่ยังไงก็ตายนะท่านเหล่านั้นก็ตายหมดแล้วแหละคือศี่ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนี่นะคือข้าสัตริษ์ทรัพย์เนี่ยมันเป็นรุ่นใหญ่เช่นสมมุติว่า พระเราชวนกันไปเพื่อฆ่าคนคนหนึ่งเขาเรียกว่ามีมีสมานในฌาน ร, รูปกันหรือไปลักทรัพย์จํานวนหนึ่งแล้วคนฆ่านจริงๆฆ่าคนเดียวคนลักก็ลักคนเดียวแต่ว่ามีการตกลงร่วมกันเป็นประชิดหมดนะนั่นคือวินัยเพราะวินัสองข้อนี้มันจะละเมิดละไม่มากรักษายากมาก เราระมัดระวังมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยได้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรท่าไหอ่ะนะทั้งกลุ่มเราจึงจึงอ่อนแอมากในเรื่องนี้ยคือถ้าเอาจริงก็จังกันว่าเออเดือนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานรักษาศีลห้าไม่ต้องมาวัดก็ได้อธิษฐานเอาเซทักอะไรล่ะวันพระวันโกนวันโกนก็ละวันพระก็เว้น เอาวันพระวันโกนวันพระวันโกนวันพระวันโกนนะฮะก็แปดแล้ววันเกิดอเช่นเราเกิดวันพุธเนี่ยเอาทุกวันพุธรักษาคือไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องทําบุญตักบาทอะไรทั้งเลยหรอกรักษาสีไดได้วันเกิดเดือนละสี่ครั้งเอาวันพระวันโกนวันพระวันโกนรวมแล้วสิบสองนะได้เดือนหนึ่งสิบสองครั้ง แล้วอถึงจุดหนึ่งจิตมันจะคุ้นมันรู้สึกว่าจิตเป็นอิสระไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรทีนี้ในด้านประโยคนเนี่ยอธินาทานมันคล้ายกับปานานะคือเราทำเองก็ผิดใช้คนอื่นทำก็ผิดเพราะประโยคจริงๆมันมันจริงๆมีอยู่หกเหมือนกับปานาธิบาทแล้วก็ ท่านอธิบายว่าสาหติกะประโยคเป็นต้นก็ประโยคเหล่านั้นสามารถด้วยการอาวาหารคือการลักหรือว่าเถียรวาหารลักด้วยการขโมยหรือว่าอี้เพื่อปสัสยหาวาหารคือไปการโชกกลมคูกุกคามอั น, นี้สําคัญนะก็ในสมัยนีย้จะมีลักษณะอย่างนี้เยอะมีหลายปีมาแล้วมาตกใจนะ แต่ว่าเป็นการกระทำของลูกศิษย์มิยมก็ตกใจหน้าซีดมาเลยบอกว่ามีวัดวัดหนึ่งเนี่ยส่งคนมาขอผ้าผ้าคนหนูหกร้ยอยผืนบอกทำไม่ได้จะเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นลูกศิษย์จะครูเลยตอนน้นมาเป็ น, น, น, นเป็นเป็นพระราชธรรมอิเทศและมาก็บอกว่าคุณไปบอก เราจะคุณถ้าจะทำในเทศบอกไม่ต้องให้ไ ม, ใหไม่ได้พื้นเดียวแล้วถ้าขัดข้องอะไรก็ก็มาทวงถามได้ก็นเงียบไปอันนี้คือเราจะเห็นว่า ม, มันใช้ทีนี้เยอะมากเพราะในกิจกรรมที่หรูหราคู่ฟ้าอะไรต่ไรต่างๆนี่ต้องนึกนะว่าพอส่งนคนไปทำเนี่ยมันอ้างอะไรเยอะนะ บางทีอ้างเบืงสูงอ้างผู้ใหญ่อ้างคนนั้นคนนี้โอ้เหมือนมันเสียเรื่องนะคือใช้คนเกี่ยวกับเรื่องอนี้อันตรายเพราะมตินโดยกันไปไปไปขู่เขามันก็เป็นปัสสายหาอาหารคือกันโชคเขาหรือบางทีรักด้วยการเขาเรียกว่าติดช่องสิ่งของหรือว่ารักโดยการกําหนดสิ่งของหรือเวลาอันนี้ก็ ไปลูกเล่นอย่างหนึ่งอ่ะมันก็แนวคือปราะทักษะาจารย์ทั้งที่กินมาเช่นสมมุติว่านายกอใช้ในายคอยไปรักของเวลาเช้าคืนนายนายขอเกิดไปลักตอนตีหนึ่งเนี่ยบรให้กอลไมต้อรับผิดชอบแบบนี้เป็นไปนไม่ได้หรอกเราไม่ใช้กฏหมายไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นวิธีการเข้าใจว่าคิดกันขึ้นในในลังกาไม่ใช่มาดั้งเดิมหรอกแล้วก็รักโดยการสับเปลี่ยน ของเรามีค่าน้อยก็ไปสับเปลี่ยนของคนอื่นที่มีค่ามากามากกว่าก็ถือว่ารักกันเลยนะ่ะมันก็แค่กระปรอมแปลงสินค้าอะไรต่างๆเราถือว่ารักอย่างหนึ่งแล้วก็ประการต่อไปก็คือการเมสุมิจฉาจาอันนี้คือการประพฤติผิดในทางเพศเมื่ก่นมีนกักศึกษาผู้หญิงเขาถาม เราถามเรืการมีสมุจาฉาเนี่ยบอกถ้าพูดกันจริงๆอะ่ะคาว่าประเวณีเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อสายคือหมายความว่านายกแกมีเมียทังยี่สิบคนเนี่ยก็ลูกแกทั้งนั้นเนี่ยแต่ถ้านายกไปล่วงเกินพัญญานายคอทั้งทั้งที่นางเอพัญญานายคอยังอยู่กับนายคออยู่แล้วก็มันเกิดทํำลายเชื้อสายเขา ถ้าเกิดมีท้องมีไส้ขึ้นเนี่ยวันตรงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะคือคือทําลายเชื้อสายทําลายวงศ์สกูลก็เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สังคมเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราต้องนึกว่าพวศีลพวกเนี้ยมันมาจากสังคมอารยันแสดงว่าก็มีปัญหามาตั้งแต่ยุคดาดงเดิมเพราะความเป็นมาของศีลนี่มันนานมากนะ นานมากตั้งแต่น้วนตั้ไแต่พระเจ้าส ม, มุติราชซึ่งเราเมื่อไหรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดคือคือพูดเรื่องเรื่องผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ควรล่วงละเมิดแต่ในขณะเดียวกันก็ผู้ชายอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ไปล่วงละเมิดเป็นกันไม่ควรล่วงละเมิดเหมือนกันท่านก็บอกว่า ผู้หญิงหญิงที่สิบจังพวกคือหญิงที่มีมารดารักษาเป็นต้นเนี่ยวันนี้ก็บอกว่าหญิงที่มารดารักษาที่บิดารักษามีทั้งพ่อแม่รักษาพี่ชายรักษามีญาติพี่ชายลูกช า, ารักษามีญาติรักษาแล้วก็โคตรรักษาทำรักษาหรือว่าหญิงที่มีการรักษาหรือว่าอยู่ด้วยกฎมณฑนบาลต่างๆเนี่ย คนนี้ก็มีสิบประเภทมีสิบประเภทด้วยกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งมีสิบจาพวกหญิงที่ถ่ายมาด้วยทรัพย์เป็นต้นเหล่า น, นี้คือพัญญาที่ซื้อมาด้วยทรัพย์สมัยโบราณเนะครับแล้วที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าพอใจหรือว่าที่ด้วยกันเพราะโผคะที่อยู่ด้วยการเพราะเครื่อง ม, องมือคมที่ผู้ปกครองจึงจะยกให้ที่ชายยกเสิ้อขึ้นมาจากศีรษะแบบทางในโบราณ เป็นทั้งปัญญาแล้วก็เป็นทั้งธาตเป็นทั้งทาสีแล้วเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งลูกจ้างหรือว่าหญิงที่เป็นเฉลยหรือว่าอยู่ต่างกาันอยู่อยู่ด้วยกันเพียงคู่ชยามเช่นโซเปน็นีอะไรตัรเ น, ตนี้ที่จริงก็คือถ้าเราถืออะไงอย่ายุ่งดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระอะไรนักหนาที่ไปทําบาปเพราะเรื่องแบบเนี้ยมันก็เสียเวลาเออ ท่านบอส่วนชายอื่นนอกจากสามีของตนชื่อว่าเป็นอัมมนิยฐานคือชายที่ต้องแย้มสมบับหญิงยี่สิบจำพวกคือสองจำพวกสมรับหญิงที่มีอารักขาและก็มีอาจาิยารอบด้านอนี้อนี้เป็นอะไรล่ะคือว่าสนมสาวสัรกำนันในในรั้วนในวังสมัยโบราณนะ่นนะ แล้วก็แล้วก็สิบจำพวกที่เป็นธรรมญาและเป็นศีลถ่ายก็รวมแล้วก็เป็นสิบสองคือบางแห่งี่ทั้นหมอสิบสาบางแห่งหมอสิบสองก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ท่านจับที่หลังคือสรุปว่าพวกนี้ก็เป็นเป็นธรรชาติคำว่าอังกัมมนิยะฐานะคือผู้ต้องห้ามแล้วก็บางครั้งมันเป็นมิจฉาจารย์ คือมนญาติไม่ควรประพฤติก็เรียกว่าอัาจฉารย์คือมัญญาติไม่ควรประพฤติมิาจฉรย์นั้นคือการ ร, รุพผิดในเรื่องเพศทีนี้จะมีโทษมากหรื อ, อก็มีโทษน้อยก็อยู่ที่สถานะของของผู้หญิงที่เราไปรุ่นระเบิอแต่สรุปแล้วว่าดีที่สุดเนี่ยนะอย่าไปยุ่งดีกว่าเรื่องแบเนี้ยคือมันไปให้ความสําคัญแก่เรื่องคือทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันมีปัญหายเยอะนะ ปัาชูษาเดี่ยนี้มันมแรงคุณตัวน่ากลัวสังคมไทยเป็นยังไงไปบางแห่งมันเกิดพูดได้ว่าวิปริตเนะียคือถ้าตามที่มีคนเล่าอะไรให้ฟังมีคนคือบางทีเขาก็อึดอ่านนะชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็มาเล่าให้ฟังเราก็พูดอะไรไม่ได้แต่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวใหญ่มากทีนี้ การจะเป็นการมรอฉันมิชาจางหรือหรือไม่เนี่ยท่านกําหนดไว้สี่นะองค์สี่คือเป็นบุคคลต้องห้ามเมินจิตคิดจะเสพในบุคคลที่ต้องห้ามนั้นแล้วก็ประกอบการเสพทีนี้แต่การคําว่าเสพในความหมายตัวนี้มันไม่ถึงกับําเร็จกิจอะไรหรอกเอาไว้ว่าเพศจดการก็เสร็จแล้วก็ถือว่าขาดต้องระบาดแล้วพระก็เป็นประราชิกแล้วนะถ้าเป็นเด่นก็ขาดจากเดนแล้ว เป็นสิกขาบทที่เป็นที่ตั้งของเวรภัยอันตรายมากคือทั้งสี่สิขาบทเนี่ยเป็นที่มาของเวรของภัยของอันตรายของอาทยกรรมของโทษต่างๆสารพัด ต, ตลอดถึ ง, ถงนรกเลยการสำรวมระวังในศี่ห้าได้แล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้มากทีเดียวทั้งเพื่อนเท่าไหร ซิ่งทำจากหมือจรัยศรีประตูในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาชนหลาหลายด้วยทุ ก, กันสวัสดี